สิกขาบทที่ส0บถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้คัดค้านการเดาะกระถินที่ชอบทำณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพภิกษุณีทุลนันธา ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลละนันธาคัดค้านการเดาะกระถินที่ชอบธรรมในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานและหานวักที่สจบ